ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทาจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้อง แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ ได้การสรุ้ธรรมะในอัจฉระที่นั่งนันก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบาย好 จิตใจไม่สงบใจิตใจไม่ระ ง, งับบุนวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉนันวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ แต่จะพูดรุนแรงไปยังไรก็ตามเถอะอตาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภยัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยังงั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็ว คือเอาท่าจริงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อ, อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมะร็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากมะร็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอัตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไป น, นั่งทำกรรมฐานนั้นลาบากมาก จนร้องให้ต่้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมัน <c oughs> เพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้่การมาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือ ต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั่นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไมวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจากตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลา ฉะนั้นพวกเราอยากคิดให่มันมากคิดที่มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่ อ, อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรือนี่ให้ดูอย่างงันคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตา ม, มันไหลออกด้วยละมือหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้อง ห, หยุดคิดนี่อย่างแจ๊กที่มาฝึก ห, หยุดคิดอืมนั่งให้สงบ ให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแนวปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันได้ถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง อาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าอืมทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมากันอืบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย แล้วก็คิดบวกกลับมาเอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้ยอยู่คนเดียวคิดก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกอไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน พดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาัโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะอนะืเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทาจิตอันนี้อย่างเดียวเพราะนั้น ลอยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิตคืออนาปารสตินี้กำหนดศรีรษะลงไปไ ป, ไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีษะกําหนดสีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน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 แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี้ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอา มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราดปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วกว่าชั่งมันในเวลานั้นไม่ใช่ทุรนทุรายของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกําหนดลมเราด้วยท่านั้น ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกอยากให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้ให้ปล่อยตามตภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันอยากจิตมันก็จะวางนะ ลมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี่พูดถึงการกา ร, ระทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวนาะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมเข้ามาแรงมากจนมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกสื่อที่มันเต็มแล้วก็ปล่อย อ, อไปสามครั้งตั้งจิต ใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งใจเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเรินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดเน้นลงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของจะของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียวว่าอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้น บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างนะไอความเป็นจริงเนะี่ยผู้รู้นั่นนะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั้นติดตามอยู่เสมออาการนี่เรียกว่ามีสติส ต, ติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่ ส, สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวอืมไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนกับเมื่อ ม, มันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ําคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสาคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไป เช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโ น, น้นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่ในไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีเท่านี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมารู้เมื่อไรต้องพยายาม ดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าจะดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันมันจะไปที่ไหนแล้วมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตแถวนี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มันไปความเปจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติปึบเข้ามาแล้วมันก็มาทันทีมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เอง ให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับล ม, มติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้<ม>ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่ อ, อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ําเสมอนี้ก็เรียกว่าอันนั้นอยู่กับเราแล้ว อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันรึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี่ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆกับไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันห น, หนักอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ย เดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับพิงเขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติวิสัปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเขามาช่วยมันจะรู้จากอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเขามันเกิดความรู้สึกขึ้น อบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่กหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นอืเลิกไม่เอาอือันนี้เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอายังมายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไงไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อย่างนั้นไม่แน่ไม่แน่ อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดพูดเลิกเลิกเลิกเลิกหมดหมดทุกอาจารย์อย่ามากวัในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือดตั้งแต่สติสมบัติชญญะกับปัญญาด้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนไม่เอาจันเลิกเลิก ให้เหลือแต่แตสติสัมปัสัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุด ต, ตรงนี้นะต่อไปทำทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปัสสัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปัสัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญา เปลนครบในที่นั่นเลยออนแต่ที่มันจอนมาข้างนอกเกี่ยวกัาอารมณ์นั้นเฮียเรากันกกไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็อืมไม่แน่มันเป็นนิวรณทั้งนั้นท่าน่ะสิ่งทั้งหลายไอ้กวดอให้มันเตียนหมดให้เรือเดสสติคือความระดึกได้สมบัติัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นอืมนี่ ให้้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะ ดรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกจะคลองจะรู้ไดไรในเวลาไหนดูไะไรในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิลผลหนึ่งขนาดเนี่ย ลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็แหมเสียดายเหลือเกินเราคิดยากลําบากนะเอาไปเอาไปก็เรียกว่างให้ลูกเล็กให้เพื่อ น, อนลูกน้อยๆนั่นนะเอารูปใหญ่อย่างนี้ ความเนแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุตสาบังคับเอารูกใหญ่เพื่อนให้ปแล้วมันก็หายเมื่อให้แล้วก็ใหเลกสบายนะนี่การทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้อง บังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นจสมันก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลําบากมากเหลือเกินนะตัดตัดสินมาให้ทูกใหญ่ให้เขามันก็ใช้ใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เดียวว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอธตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำแล้วไงเดียว่าเราชนะตัวเองนะ ถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งนนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียง ว, ว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจดีอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วย ช่วยให้สําระความสุขระโผลในใจของเราได้แกต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสตั้งหากละทําให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไป บางคนจะเขายังงั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างงั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยเรื่อยอีกวันหนึ่งมันกวนนักไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนหนีกิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไปงั้น ทำให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทําให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตาําราดึกๆึกไม่ต้องไปเรียนให้มันมาก พิจณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดเป็นเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนเลยไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการไม่ไี้ยงกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวร้อยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้ การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนทุกคนใครจะเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เทระวาดก็ได้คิดก็ได้แล้วก็ก็มารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอย่างของฉันถูกข้องคุณผิดของฉันดีข้องคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้ หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏิมนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมณนะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแม่งเบากิเลสเราออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดกรุของเราประการหนึ่งนะ ที่นี่ก็เรียกว่าอาการให้ทานต่อไปนั่นก็เรียกปูดถึงเครื่องอุปรกรณ์ของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็นศีล อ, อะไรก็ได้ ำทำคัมภีร์วาระษาศินเนี่ยมันสินห้าก็มีสินแปดก็มีสินสังรอยิปิศก็กมีแลวแต่แล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีสินสินเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศินนี้จะดูแลธรรมะอันั้นให้จเจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูก สิ่งของกระหัสนี้ก็ไ้ว่ะโดยตรงมันน่าพูดในน้อยนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดมาให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์นะอย่าไปข้ามสิ่์ของกันเด็กกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเอง สิ่งที่สามตัวกามเมืคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในคราวาญก็ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านเปต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมมก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทําให้เกินประมาณ ให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขต Het. แต่รวยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะออืื Holland, บางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่แม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาแต่มาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเรียกก็ไม่หมดแล้วเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุขภพท้งนั้นเนี่ย อย่างนี้ต้องพยาพยามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี้มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารอเด็อร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอดเด็ดอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากลาบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี้ดีมากที่สุดทางนี้ ให้มีแม่บ้านคนเดียวพอแล้วมีพ่อบ้านคนนี้พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุบวายดูก็ได้อย่างนี้อืไอความซื่อสัตย์สุดจะดีดนี้ก็เป็นเครื่องไอกําจัดกิเลสเราเหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์ เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้าเมานี้มันก็รู้จักประมาณมให้เลิกมันสะดีมันเมาในครอบในครัวเราก็มากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเร้าไปมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทาั้งหลายเนี่ยดูดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามไปค่อยปัดเป่ามันออกนะ อเปิดเปล่ามันดอกเดี๋ยวขอโทษเลยนะเนยพูดในความดีอยากจะให้ดีอยากจะ ใ, ให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทาเรานั้นมันกดดันของเราทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากไปนะขอโทษเลยนะ <laughs> ไม่อยากไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด <laughs> อ่านี่เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะ <c oughs> ที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่มีความรักกันสื่อสัตว์เลยมีความสุขความเดือดร้อนไม่มี นะแล้วก็เมื่อความเรอาร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเยียนซึ่งกันและการเนี่มีความสุขทานเรียกว่าสักคะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั้นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมาระความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่ง เพื่อให้ความดีนี่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเพลินเหอกันเนะี่ยชอบเพลินไม่อยากไปที่ไห น, นชอบติดสุ ข, ข น, นั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุข มันเป็นสักกถ า, าเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคราดิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวาบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่าน่าพิจารณาอีกที่หนึง่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปรืมมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกในความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกัน มีความสุขแล้วเมื่อไรเมื่อไรไอความสุขจะเลิกจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีเนี้เทวบุตรถถ์ต้องร้องให้เป็นทุกข์แล้วท่านจึงให้พิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี่ ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเหมนมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกเกิดขึ้นมาพีนไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิดเลสอันหนึ่งอีกเป็นกิดเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละ เมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบแล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ตนจึงให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะมีทุกข์เกิดมันนี้เป็นของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินามัตานี้นี่ความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้น เป็นเรื่องไม่แน่นอนมะม่วงเตามต้นน่ะเสวยเอาใบ ไ, ไม้เอากิ่งไม้ไปใบกิ่งมันหล่นลงเกลือนอากาศตอนเย็นกลับมาท่านนึกวาจะมาเสวยสวนมะม่วงกต่พดีมะม่วงผม อ, อมัดเอาไปกินหมดแล้วทา่านกแปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทําไมมันถึงยับยืนนะหลายคนอมัดทั้งหลายเนี่ย เพราะว่ามะหวงตัวนี้มันมีผลไม่ก็ถูกไม้เรียวเขาเขี่ยนมันโดนตีมันดนใบโดนใบใน ม, มียับยืนหมดอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆตัว น, นั้นทําไมถึงเป็นงั้นตัว น, นั้นนัวไหนมีผลก็ไม่มีไปไปเขี่ยนไปตีไปทําลายมันใบมันยังหนานเนี่ยโลก ม, มันเรียนดีใครบอกว่าพีนังเรานี่ก็ต่มันกันอย่างนั้นเราลําบากทุกวันนี้เพรมีลากวียศมีเส้นอเอฉิน ถูกอมัดทั้งหลายยุเบียดเบีย น, นําหวักมากไปพิจนาแน่แต่ออกบวชเห็นว่าเราเหมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแต่ก็ก็เครียดมันตีมันตายจริงมันพังลงมาต้นที่มันไม่มีอะไรไม่มีรูไม่มีผลนั่นไม่มีใครไปเยียดเบียนมาจริงมันก็ไม่หัก ใบมันกดมากลมมันจะเย็นอย่างนี้คิดที่นี้แต่ถือว่านั่นเป็นอาจารย์กันแล้วอืท่านก็เลยเอาอาัตติอันนั้นจำไว้ในใจที่จะไนได้ที่เรานี่ไปต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมาม่วงต้นมาม่วงที่อาจารย์ท่านมีแต่อาจารย์มีปัญญาก็ได้เหมือนกันเราไม่น่าจะไปถึงนั่นนมั้มการปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่ บวชในมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชมันเป็น เ, เป็นผู้รับกรรมอาจารย์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบตัวอะไรมากมายอในสะดวกครอแกการปฏิบัติ แต่คราวานี้ก็เดียวว่าได้เหมือนกันเดีว่ามันออกอย่างนี้ออกออกมันบิดตรงไปอย่างนี้อะ้รมันออกอย่างนี้มันทางมันโคง้ง ห, หน่อยๆําบากมีลูกบั้งมีมีอบ้างอะไระไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยว่ามันออบไปนิดหนึ่งท่านคนนี้ถามว่า เมื่อเราปฏาิบัติไปแล้วได้ผลของการปฏิบัตินี้ผลที่ทําให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับรู้จักของสะอาดไหมรู้จักครับ <c oughs> รู้จักเหรอจิตมันที่บด้บริสุทธิ์ก็คือที่มันสะอาดไอ้ธรรมดาจิตของเรานั้นน่ะ จิตนี้มัน ม, ม, มีเรื่องอะไรจิตนี้ม่เป็นของสะอาดอยู่ดีแล้วไม่ต้องหว่นไว้ไปทางโน้นทางนี้เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบระงับอยู่แล้ ว, ลวมันก็น้ำเราเนี่ยน้ำธรรมราที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้ว ที่มันจะมสีสีเหลืองหรือสีแดงนี้ก็เพรเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำนนก็เลยสีเหลืองไป้ด้วยแดงขึด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปนี่ก็ได้เป็นน้ําที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเดยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉยเรี๋ยว่าจิตเดิม ไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองอจิตที่เศร้าหมองจิตนี่ไม่ฟองสายไม่บริสุทธิ์เดียวมีรักเดียวมีเกลียดเดียวมีโกรธเดียวมีโรคพิดารณาะทําำจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตรบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่หวั่นไหวกับอะไรทางนั้นเป็นปกติจิตของคนคน ถ, ถามต่อไป ถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่มีที่ที่สุดในการบาิบัตรมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตยังรพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไรจิตเดิมจิตเดิ ม, ดดมนี่ที่เราเราสุดการบาตรบัติแล้วถูกไหมครับ ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางอผลที่สุดแล้วก็เรียกว่าอืให้มันว่างจากสุขทุกขเท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี้เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาทาไมสมมุติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกัน ท่านจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั่นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกเป็นต้นก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นทางจบ <c oughs> เมื่อรู้จากความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั้น <c oughs> ถาต่อไปว่ามีคนที่ถาจิตจิตยังมีมีอยู่ไหมครับตอนตอนตอนระยะตอนเวลานี้นี้ไม่คนที่ถาเป็นอันนี้ต้องถามเจ้าของครับ ถามคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องถามถามคณบริสุทธิ์มันถามว่าคนบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี้ถามอางเงี้ยคนตอบตรงที่ว่ามีนะนั่นดีกว่าถึงจะรู้จักถามคนอื่นไม่เคยรู้จักว่าตั้งแต่เรานั่งบริโภคข้าวรวยกันอยู่อย่างนี้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นจวนจะอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้จักเนาะตั้งแต่คนนั้นลุกไปบอกอ๋าาอทำไมอิ่มแล้วนล่ะมันท้องจะแตกแล้วคนนั้นเนะี่ย อ, อยู่ไม่ได้ต้องไปแล้ว <_ pe ak> ก็ยังไม่รู้กันนี้นะประจัดตังเบียร์ที่ต่อวิดยโอนีรู้เฉพาะตัวอย่างนั้นคนนี้ถามาคนนี้เป็นเป็นพ่อลูกสองคนมีลูกอยู่สองคนที่บ้านานะแ เ, เราถาาเรื่องการบัติบาสในชีวิตคารวาสเรามีมีลูกแล้วควรเลี้ยงลูกยังรายถึงลูกจะได้ธรรมะแล้วเราควรเลี้ยงเพื่อให อจเจริญธรรมะในตอนเราเองดูพ่อต้องเรียนธรรมะก่อนให้เป็นธรรมะก่อนเพราะว่ารูปของพ่อพ่ออยู่กับรูปเลี้ยงรูปก็ต้องพ่อตรงรูปจะต้องมองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อต้องเป็นตัวอย่างเป็นคนดีปฏิบัติธรรมะให้เป็นคนดีก่อนจะก่อนจึงสองหนุกได้แล้วก็ได้การเลี้ยงลูกทำ ต่อไปอเราควรบังคับไหมหรือไม่บังคับหรือทำดีอะไรเท่าไห้หการเลี้ยงลูกจะต้องมีปัญญาลูกในช่างหม้อไหมในช่างหมอ้อตีหม้อ ก, กับทางวันแต่เขาตีหม้อเขาเพื่อให้มันเป็นหมอ้อไม่ใช่ตีให้มันแตกในช่างหม้อเขาทําด้วยลูกเราก็เหมือนกันค่อยๆสอนถึงเวลาดุกระดุบ้าง แต่ให้มันดูแต่ปากใจอย่าอย่าไปดูมันอย่าให้เราเป็นทุกข์ถ้ามันผิดเมื่อไรไม่ดีก็สอนเรื่อยไปเหมือนในช่างมอเตอร์ตีหมอตอตีก็ทางวันตีงนันแต่เกียรตนาของเขาตีหมออรเพื่อให้มันเป็นหมอเอสวยงามไม่จะตีให้มันแตกแล้วสอนดูปวิธีอย่างนั้นงั้นไหมเรายากไหมเป็นคารวาสมันยากแค่ไห น, นปฏิบัติเนี่ยพอดีถาม เรื่องลูกด้วยอยู่อยู่บ้านแลาวคามาสมมติว่าเราจะเราจะออกใบาฏิบัติที่ดีหรือว่าที่อื่นใบจะอยู่ที่บ้านใบจะอยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูปบ้าเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้ยงแเราก็เข้าหวานได้ไหมเรามีบรรดาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงลูกเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงลูกเราได้ไหม ถ้าเรามีพอก็ได้ให้ลูกเราเป็นสุขสบายให้ลูกเราใหญ่โตมาได้ให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้แต่ว่ามีใครจ้างรางวัลให้คนเลี้ยงเขาจะพอได้อย่างไงบ้างอย่างนั้นเ ข, เ, ขเขาคิดว่าลูกนี่สอนได้แกงว่าพ่อได้พ่อได้แนละ้วลูกเป็นอาจารย์เขาแล้ว <c oughs> สื่อหมายความว่าเรียนลูกนี้มีปัญหาอะไรลูกทําให้เกิดสัญญาของของของคนนี้ <c oughs> จะเอาลูกไปในาจา์ก็ได้แต่จะไปเป็นถาดมันนะ <S <S <S <S ค้องนิดเดียวนี้เนี่ยที่เราที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำให้มีปัญหาขึ้นนะถ้าไม่มีปัญหาขึ้นเพราะตัวเราทำมีมีลูกขึ้นมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาไอ้ความไปริงค้องขนาดนี้มันค้องเ ข, ขานี่เท่านั้นเนี่ย <S <S แถวนี้ไม่มีอะไรแล้ว เราไปทำแบบนีนยุ่งยากขึ้นทำไมเท่าเนี้ยขอแล้วนี่คือเราไม่ที่จะได้นาแล้วไปก่อนด้วมันเลยภายหลังมันรู้จักเกิดมาได้เป็นปัญหาขึ้นก่อนไม่จะทำก็นึกว่าปัญหานี่ไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำขึ้นแล้วปัญหาเกิดภายหลังหรือก่อนจงเป็นปัญหาขึ้น ขาถามเรื่องบวชแม่ชีในเมืองไทย <c oughs> เขาเคยเข้าใจว่าบวชแม่ชีอในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างหนึ่งเพราะว่าชีนี่ตามกว่าพระ <c oughs> อยู่อยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกา <c oughs> แต่ถ้าหากว่านายธรรมทําให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอนิจจ์ไม่ใช่อันนี้สุลกว่านั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ ไม่ใจ่มันสูงตาม ก, ากันอย่างนั้นนี่เขาทําให้เป็นอิสระทําให้เรายอม <S <S ให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีตม่ำปฏิบัติไม่มีสูงมีตม่ําเขาจะเอาไวต้ตรงนั้นก็อยู่ดีทาไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี่ครับมีความอยากใหญ่อยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเขาจะทำไงกันเขาจะพูดบาดีปล่อยมันเนี่ยเขาจะพูดไปชั่วก็ปล่อยมั น, มนไม่ต้องไปยึดถืออย่างนั้นเนี่ย ความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชเรือ่องเดียวกัเรื่อว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วเป็นทุกเขาเมื่อวานนี้ดูดาววาดประพงไม่เห็นผู้หญิงแล้วเขาึกว่าผู้หญิงมีบวชไม่ได้หรือว่าถ้ า, ถ, าถ้ายิ้ได้ก็ต้องยิ้มชันต่ำกว่าผู้ชายเขาคิดอย่างนี้ไม่มีต่ํามีสูงหรอกเดีย๋ยวนี้ฉันนั่งอยู่บนเนี่ยแต่คุณนั่งอยู่ต่ำคุณก็เสียใจใดีเลยเนี่ยใช่ไหมไม่ยอม ฟังปัญหานี่เพราะว่าชั้นมันสูงกว่านี่อย่างนั้นก็นั่งเสมอกัรนีร้สูงกว่านี่ครับอ่างนั้นดีไหมเมื่มอสองวันก่อนตอนเทศวา่าหูถึงอนัตาตาแล้วที่ที่แปลมันภาษาอังกฤษเรื่องอนัตาตาคนดีไม่เคยเข้าใจลองให้อธิบายหน่อย อ, อนัตาตานั้นเป็นธรรมะที่รึกซึ่งมาก เพราะอะไเล่าเพราะเรียกว่าสมมุติเข้าไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้ไอความเป็นจริงเนะ่ตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก่อนนี่เป็นของฉันเท่านั้นแต่่าพูดไปถึงก้อนนี่ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังท้่ว่าของเรา ผ้าของเราคุณจงอย่ากเก็บไข่นะคุณอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้เมื่อเราจะปวดที่สะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาต จ, จากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดที่สะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เรียวใครมันปวดอย่าปวดกับปวดเองเหมือนนะ มีไหมหรือมันขออนุญาตเราไหมยนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอนาาั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเหมือนอยากปวดที่สามก็ปวดเลยมันมีอํานาจไมนมีเจ้าของเลยอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยเมื่อยู่ิตด้บังคับบัญชาของเรานั่นทันเรียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาขึ้นไม่ฟังความเรามายุติมายุติไ้อำนาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เป็นของสมมติเฉยๆเพื่อให้รู้จักเท่านั้น เรียกปล่อยวางมันไปแล้วไปถามว่าถ้าถ้าอัลตานี้ที่หลวงพ่อเทศอัตตานี่เมื่อเราบาติบาคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีขนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชีถามของเรา คือคล้ายเป็นผู้ครองครับไม่ไม่มีตัวไม่มีต้องคล้ยเป็นผู้ครองชีวิตของชีวิตเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของเราของเราของตัวเองโอ้รู้สึกความันมีมีคนผู้ครองเรามีคนชี้ไปจ้านนี้มีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมุติขึ้นมาคือผู้รู้เน่ะคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดก็จะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้ คนครองไม่มีอำนาจอย่าตายนั่งไม่ได้อย่าแก่นั่งไม่ได้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆหารโรคจักนั่นนีเ่เฉยๆแกรับรองเด็ดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนาตามันเป็นไม่มีใครไปคลองมันคลองมันไม่ได้มันไม่ใจใครเอะ่ะเดี๋ยวไปเข้าใจเข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม่อือ่ต้องทําจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ล้ว อกินไปคำหนึ่งไม่ไม่อิ่มหรอกกินข้าวต้องค่อยๆกินเรื่อยๆได้หลายคํามันเรื่องอิม่มนยกินคำเดียวอิ่มมันก็สบายเข้าไปคํานึงก็สบายต้องกินเรื่อยๆไม่หลายคําอี่มันต้องอิมีมเหตุผลอ่ารับถามอถ้าไม่มีตัวตนไม่มีคนนะแต่ว่าว นายพุทธศาสนานิีคอนพูดถึงชาติถึงหลายชาตินี่ทั้งไม่มีตัวตนมันเป็นอะไรที่เกิดมาใหม่ย้อนกลับมามันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุมติขึ้นมาตัวตัวนี้เรียกว่าสมมุติมันเป็นสมมุติตัว ต, วตว น, นขึ้นมาอย่างคนนะเกิดมามีชื่อไหมครั้งแรกชื่อของคนมีไหมเกิดมาพวกมีชื่อตามมาเลยเด็กเขาเขียนติดมือไหมมีชื่อไหมมันเกิดมามีชื่อพร้อมไหมฮะไม่มี ไม่มีชื่อครอัเดี๋ยวนี้มีชื่อไหมเดี๋ยวนี้มีามาจากไหนคนคนใต้แ <c oughs> น่ใช่ไหมไม่มีอ่ะคนสมมุตริรับไาจนั้นฉะนั้นเรื่องอ่าอ่าตายเกิดใหม่อีอแสดงว่าจะไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดนานเลไม่มีใครแล้ว เด็กเป็นเป็นใครมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละแล้วเราตายแล้ว้อร้องไห้เท่านั้นแหละนั่นท่านเรียกว่าอนัตตาน่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกาไม่มีอะไรเป็นเราก็ปล่อยสังขารนี่ธรรมะเกิดได้มันดับไปเนี่ยแคาเรียกว่าอะไรมีไหมถ้วยถ้วยเนี่ยแก้ว ได้มาจากไหนครับเี็กว่าแก้วนะอันนี้มันบอกเราด้ปาเป็นของส ม, มุดดูวยงานแน่เมือ <c oughs> งไทยเขาว่าจอบอ่ทังนี้เรียกว่าแก้วนะทำไมไม่เหมือนกันอย่างนั้นนี่ทังนี้เรียกว่าแก้วไทยเด็กว่าจอบก็มาถกเถียงกันนะทะเลาะ ก, กันเด็กไปตีกันแย่งกันตายอันนี้ก็เป็นอย่างเก่านี่นี่ส ม, มุติมันไม่มีไของใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตร้งนี้ยมันว่าง ได้เอาสิ่งที่มัตั้งชื่อมันเป็นสมมติมันว่างเราเข้มาเถียงกันอยู่นี่ต่างความเป็นจริงแล้วเนี่ย น, นะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่ว่าสมมุติกันขึน้นอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่ถ้าคนสมมุติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคนจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงเมื่อแต่ว่า ว, วันนี้ เดี๋ยวนี้ก็ว่ารูปนั่นเป็นผู้หญิงก็เลยเรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเดียวผู้ชายมาคนสมมุติขลังเรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติขลังแรียกผู้นี้เป็นผู้หญิงผูนั้นเป็นผู้ชายก็เลยผู้นี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโคนต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพเดี๋ยวเดี๋ยวอนี้สมมุติอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เหจบแล้วเด้อจบเป็นนางโพเลยล่ะนี่คนนั่งทงเป็นทุกข์มาก พ่ไม่รู้ทําอันนี้ถ้าเก็บก็รู้สึกว่าเราเจ็บเป็นเราทั้งนั้นะเสียกับเราเสียได้ก็เราได้สุขกัเราสุขทุกข์กัเราทุกข์เลยเป็นตัวเรามันถึงทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาแล้วอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราคืสภาวธรรมมันเกิดและมันกระดับไปทั้งนั้นถึงแม้จะตายแล้วก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่ใช่เราตายนี่ถ้าจะเก็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่นะี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอืมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น ที่เราอยากจะให้มันเป็นไปตามอำนาจเราเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์คือมันเป็นไปไม่ได้ชันเกิดมาชั้นใหญ่อายุถึงร้อยปีอย่างนี้ไม่ได้ถึงเจ็ดสิบปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีอำนาจแล้วแต่ธรรมะจะเป็นไปยี่สิบปีสามสิบปีร้อยปีก็แล้วแต่นี่เราจัดอำนาจก็มีควบคุมไม่ได้จึงมาเป็นอนัตตา ไม่อยู่ตามบังคับของเราเราอยากให้อยู่ใต้อำนาจของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราจะไปอยู่เหนือมันไม่ได้อืมก็กลุันเทียว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายอย่างนี้มันก็เสมอไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอืเรื่องร่างกายสมมุติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมันกันอย่างนั้นอมนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันนี้ฉะนั้นจึงได้มาทํากรรมฐานกันให้รู้อย่างนี้ทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้น เกิดจะเองนี้ทุกเขาถามเรื่องการนั่งกรรมฐานตอนแรกเราให้กําหนดลมหายใจคนนี้กําหนดลมหายใจแล้วก็บังคับหายใจด้วยทําให้เกิดเกิดเอ่อความรู้สึกเอ่อถูกกินในกายที่หลังเราบอกว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับแต่ว่าคนนี้เขาพยายามไม่บังคับมันก็ยังบังคับอยู่ เขามาถามผู้หญิงที่สอนด้วยกันแจ็กกอร์เลนเมื่อวานี้ที่หลังเขาว่ากว่าตกลงอยากกำหนดลมหายใจเข่าออกเดี๋ยวนี้ให้กำหนดรูปกายเท่านั้นให้รู้ว่าเรานั่งที่นี่รู้รู้กำหนดความรู้สึกของกายนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้กำหนดกายแบบนั้นบอกว่าจิตมันขึ้นฟุ้งซ่านมันไปที่ไหนมันความนึกคิดเกิดมากจะทำอย่างไร อะไรผมยังไม่เข้าใจในการกำหนดไอ้เราเราเดินไปเดินมาเรานั่งทำงานเราหายใจสะดวกไม่สบายั้มสะดวกครสบายกำหนดสะดวกนั่นคนุณไปยึดมันเกินไปเนี่ย คุณนั่งเดี๋ยวนี้ก็หายใจลำ บ, บากไม่ได้เนี่ยเรารู้รู้ยืนแต่ว่าไม่หยุดไม่ต้องหยุดสิต้องหยุดต้องทำทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําไมมันถึงหยุดได้เดี๋ยวนี้ทําไมมันเป็นได้เดี๋ยวนี้เราต้องพยายามทําจิตอย่างนั้นอืม <c oughs> แล้วก็แม้เราแต่ท่านข้าวอยู่ก็มไมท้าเราไม่ทานข้าวอยู่รมหายใจมันก็ออกสบายไม่ไม่ทาคาญทําไมเพราะโยไม่ไป ย, ยุดมัน ที่กกำหนดนี่มาให้ไปยึดนะให้รู้มันเฉยๆกำหนดู้วยเฉยๆนี่คุณไปยึดมันซะมันยาวไปมั่งมันสั้นไปมั่งยาวไปเกิดลมใช้ลมไม่เป็นมันอึดอันเท่านั้นหละแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่่เฉยๆเรานั่งนอนอยู่ทำไมทไมเราหายใจมันสะดวกทําไมเพราะอะไรเราพยายามไปไปดูอิธีนำมาตั้งในเวลานี้เพื่อถอดปล่อยตามสบายอย่างนี้ปัญหาของเขาเกิดอย่างนี้คือเขาเคยบาปที่บาป กรรมฐานแบบอื่นแบบแบบคิดว่าแบบเห็นดูที่ให้ที่ให้บังคับจที่มีสองสามวันแล้วมันมันยังบังคับอยู่แบบบังคับมันสบายไหมกิเลสมันเบาไปไหมหมดแบบเบาบางครับเนาะเบาบางเบาจริงๆมีไหมเราจะลดลงเท่านั้นควลดลงแล้วก็ทําทําแบบเก่านั่นก็ได้เหมือนกันทํามันจะบสบายเนาะ ถ้าเข้าใจเราบอกว่าความจริงแบบนั้นชายตลอดกันไม่ได้อืมในความเป็นจริงก็คือทำนี่ไม่ให่บังคับให้มันเป็นอิสระลมให้มันปล่อยตามเรื่องของมันสบายแต่เรากำหนดรูเที่ยวเราให้กำหนดรูเราไม่ใช่ให้เราให้บังคับอย่างนั่งเดือดติดกดขัดอุ้งนี่นะดูตัวมันวุ่นวายเลยเราไม่ใช่บังคับปล่อยตามลมการกระทํำสมาธินี่ทำด้วยการปล่อยวาง ไม่ใช่ว่าทำด้วยการยึดหมายยึดมั่นปล่อยวางให้ลมก็ให้มันเป็นลมอะไรปล่อยตามเรื่องสบายใจให้ความรู้สม่ําเสมอทั้งนั้นแหละมันมันจะมาจากไม่จิตมันก็อยุดหายใจมันก็เบาลงเบาลงน้อยลงเบาละเอียดลงไปเรื่อยๆตายมันก็เบาขึ้นจิตมันก็เบาขึ้นลมมันก็เบาขึ้นเมื่อถึงความสงบทั้นั้นเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วทํายังไม่ถูกมันวางจิตยังไม่ถูกวางลมยังไม่ถูกซึ่งเป็นอย่างนั้น